ทำกันได้หลังตาจะพูดให้ฟังเพื่อให้เป็นส่วนประกอบกับการปฏิบัติธรรมที่เรากำลังทำกันอยู่ในเวลานี้ไม่ใช่สอนให้ท่านรู้การสอนให้รู้ท่านรู้มามากแล้วรวมรู้จนได้ปริญญาจบการศึกษาเป็นข้าราชการสาธารณสุข ขันโชนธรรมะนี่บอกบอกให้เอาไปทําทํากับไม้กับมือทํากับกายกับวาจากับใจของเราเอากายมาทําเอาวาจามาพูดเอาใจมาทําคือทำคือการกระทําการกระทําที่ตรงไปที่กายที่วาจาที่ใจท่านเรียกว่ากรรมฐานกรรมฐานนี่มันทําได้ทันทีไม่เหมือน การทํามันอื่นมันเข้าไปตรงๆเข้าสายตรงตรงต่อกายตรงต่อวาจาตรงตัวจิตเข้าไปเลยเราก็มีเท่านี้มีกายกันอยู่เนี่ยมีวาจาก็อยู่นี่มีใจเขอยู่นี่เป็นทวารเป็นปลายของชีวิตเราตอนที่มันจะผิดจะถูกจะสุขจะทุกข์มันก็ลงมาก็มีอยู่ที่กายที่วาจาที่ใจมันไม่ใช่ความรู้ ความรู้ใครก็รู้แต่ยังทําผิดยังทุกยังโกรธอยู่รู้โกรธไปดีทุกไปดีแต่เรายังทุกยังโกรธอยู่นั่นนไม่ใช่ปัญญาปัญญาอันอื่นปัญญาที่พุทธเจ้ารู้แก้งนะเรียกว่าปัญญาโลกรู้ในกองสังขารความโลกรู้ในกองสังขารชื่อว่าปัญญาสังขารคือกายคือวาจารคือใจเรานะ่ะ มันใช้อยู่ทุกวันทุกเวลาเนี่ยมันก็นทํากระทาตรงนี้มันไม่กระทำก็ไปกระทาตรงนี้เมื่อจี้เราลงกระสุนสอบถ่ายพเพื่อสุขรเพเพียรเครื่เพีออเพยรคือทำอยังไงมีความพยายามมีสติประคองตั้งจิตไว้มีสติ ม, มีส ต, มสติมันก็คมไปทั้งกายทั้งวา จ, จารทั้งใจแล้วจับตัวเดียวสติ เป็นเจ้าของทันทีสติเป็นเจ้าของกายเป็นเจ้าของวาจ่าเป็นเจ้าของใจทันทีเลยมันจะไปไหนอะมันก็ตั้งไว้แล้วอยู่ที่กายเนี่ยที่มันรู้สึกเคลื่อนไหวไปมาที่กายเนี่ยมันก็ไม่ทำอะไรกายก็นั่งอยู่นี่ทําอยู่นี่ทําดีอยู่นี่ความเพียรแล้วความเพียรแล้วถ้าทําแล้วลงไปสู่กายแล้วทาลงไปแล้ว มันก็ป่ะคองตั้งกิดไว้มันก็ถอนความพอใจความไม่พอใจไม่มีแล้วมันรู้แล้วเข้าไปถึงสภาวะที่รู้เมื่อถึงสภาวะที่รู้สภาวะที่รู้เป็นเจ้าของของกายของวาจจของใจมันก็เป็นกันละอกุศลที่มีอยู่ให้หมดไปแต่ก่อนเคยบกมุ่นคนคิดไหลเรื่อยเยมื่อมีสติมันก็ ก็หยุดมันก็มารู้ใช่ไหมจรู้สึกตัวนี่จ๊ะมันก็ถอนไปแล้วยังกุศลเที่ยงไม่เกิดให้เกิดขึ้นกุศลคือทำคือมันรู้แล้วรู้แล้วก็ถึงตัวลแล้ว ว, ว่ากุศลคือความรัู้สึกตัวเนี่ยรู้แล้วกุศลเดินเที่ยงไม่เกิดก็เกิดขึ้นแล้วก็เกิดขึ้นเรื่อยละความชัว่วทำความดีจิตบริสุทธิ์ไปเลย เหมือนเราซักผ้าการซักผ้าไม่ต้องการในหะ้มันสอาดแต่การกระทำนั้นมันเป็นไปเองเอาน้ำยาใส่น้ำลงไปพอประมา น, นเอาผ้าสชบลงไปเราไม่ต้องบอกโอ้ยวันไหนมันสะอาดวันไว้จะจะอาดออไม่ต้องไปคิดใช่เหมือนเปืองสมองมีแต่การกระทำมือที่กระทำลงไป เอาผ้าใส่น้ำํำยาเอาน้ำํำยาใส่น้ำรูบหลงไว้ชงไ ป, ว, งไปว้าที่ปเปื้อนๆพอประมาณมันก็สะอาดตาทีลยไม่ต้องไว้คิดอะไรทําอะไรที่มันยุงย่งไปเปลีเป็นการกระทําโดยตร ง, างาการสักผ้าเั็นการกระทาไม่ใช่เหตุใช่ผลไม่ใช่ความผิดผิดถูกมันมีสูตรอันนี้ก็มีสูตรสูตรสร้างกุศลสูตรละกุศล คือความเพียรคือสติสมชัญยะนี่เดี๋ยวว่าเรามาทํากรรมฐานให้มันตรงเข้าไปวันก่อนน้องตาพูดสายตรงตรงเข้าไปต่อกายต่อวายาต่อใจตรงกันข้ามเอ้ามันอาจจะมีความหลงโกรธขึ้นตรงเข้าไปสู่ความหลงรู้สึกตัวเอา้าความหลงก็หมดไปอีก ไม่มครามทุกขความคิดผงสอนอะไรเกิดขึ้นสารพัดอย่างแปดหมื่นสี่ันอย่างเกิดขึ้นที่กายวายใจมีสติก็ไปตรงเข้าไปเหมือนคนเฝ้าบ้านเขาเฝ้าประตูมันมีประตูใช่ไหมมาทางไหนก็รู้ปรตูบ้านก็มีทนหนนี้ทวานบ้านนายทวานบ้านมีเจ้าของมีสติมาทางใดก็ดรู้มันลู ตัวรู้สึกตัวเนี่ยเมื่อเป็นเจ้าของบ้านแล้วมันก็ปลอดภัยไปเรื่อยๆไปตรงอะไรที่มันเป็นปิ๊บเป็นภัยรู้เห็นเห็นแล้วไม่ใช่เห็นเฉยๆเห็นแต่ว่าเห็นสาภาพพระวะที่เห็นไม่ใช่ตาเห็นตัวติสัมชัญยะเป็นดวงตาภายในหรือตาเหมือนตาเนื้อตาเนื้อไม่เห็นงูมันก็ไปให้งูกัด ตาเนื้อเห็นน้ำมันก็ไม่เหยียบน้ํำตาเนื้อมันเห็นหลุมเห็นบ่อมันก็ตกหลุมตกหม้อตาเนื้อเห็นป่าลุกลงหลังเห็นทางมันก็ไม่เข้าป่ามันก็เข้าทางอันั้นตาเนื้อไม่ควบกลุ่มทั้งหมดเลยแต่ตาในคือความรู้สึกตัวนะเมื่อมันเห็นมันก็หลุดพ้นแล้วเห็นหลงพ้นจากความหลงเห็นทุกข์พ้นจากความทุกข์เห็นผิดพ้นจากความผิด เห็นความพอใจความไม่พอใจคนจะความพอใจมันไม่ใช่ไปถอนมันไม่ใ <analysis> ช <as> ่ไปกระทำอะไรมันง่ายง่ายว่าแต่เรามีสติให้ดีให้มันตรงกันข้ามเมื่อมันหลงมันก็รู้อย่างเนี้ยเมื่อมันทุกข์มันก็รู้อย่างเนี้ยเมื่อมันผิดมันก็รู้เมื่อมันถูกมันก็รู้มันก็รู้อย่างเนี้ยถ้าความทุกข์มันรู้อย่างเนี้ยความทุกข์ก็จืดไปเลย ถ้ามันสุขรู้สุกตัวมันความสุขมันก็จืดไปเลยมันมีแต่ตัวรู้สภาวะที่รู้สภาวะที่รู้เนี่ยมันเป็นภพภิจันไม่เปิดไม่เพื่อนไม่เส่อมไม่ซับมันสุขมันทุกมันผิดมันถูกก็รู้เข้าไปมันก็เริ่มเข้าทางไปเห็นกายแต่ก่อนเห็นกายเป็นตัวเป็นตนพอรู้เข้าไปเห็นกายเป็นกายสักว่ากาย แยกไปแล้วเคยมีความสุขความทุกข์พะกายก็แขขกกยกออกไปแล้วไม่อุสุขอทุกข์พอกายเห็นเวทนามันก็แยกไปแล้วเป็นสุขเป็นทุกข์เพราะเวทนาเห็นจิตมันก็แยกไปแล้วแต่คนจิตมันเป็นใหญ่อะไรมาก็จิตสุขสุขทุกข์ทุกข์ ก, ก, ก็จิตเพราะเห็นมันก็แยกไปแล้วไม่ใช่เอาจิต เป็นใหญ่เป็นโตจิตนี่สติเป็นใหญ่กว่าถ้าจิตเป็นอารมณ์เใหญ่จิตมาไมีอารมณ์มาอาศัยเหมือนสลาหาัวใจมีอาการทุกขมามาพักอาศัยสลาหัวใจรักนี้ไม่ว่าอะไรอะไรมาพักก็ได้หาไม่โยโคดไม่โยไม่จีบไม่โยใครมายอมายูอย่ เสลาคือหมาว่าบาที่หมาบึดดำมันขึ้นมาเนี่ยเสลาหลังนี้ก็ไม่ว่าแต่ว่าจิงที่มาอยู่นะอะไรเป็นประโยชน์เป็นโทษถ้าเสลาหลังนี้พระมาอยู่ก็สะอาจารย์พวกเรามาอยู่ก็สออาจารย์จิตของเราก็มาณกั น, นอาลงมันจรมาถ้ามีสติมก็รู้สติเนี่ยมันเหมือนไม่กวดสติรู้ตรงไหนสอาดตรงนั้นเหมือนเจ้าของบน ดูอะไรก็เรียบร้อยใม่ลงหลักเราจึงมาประกอบอันนี้ให้ได้ให้มันตรงกันข้ามมันตรงกันข้ามันแยกไปมันแยกไปเคยสุข ก, ก็ไม่สุขเคยทุกข์เคยทุกข์มีแต่รู้เข้าไปมีแต่รู้เข้าไปล้องสัมผัสกับภาวะที่หลงลุงลกมันเป็นรถพระธรรมแท้ๆสัมผัสความสุขสัมผัสความทุกข์มาไม่ใช่รถพระธรรมรถของลกูก ทุขเป็นรสของโลกทุกเป็นรสของโลกพ อ, อใจไม่พอใจเป็นรสของโลกยิน ด, ดียินร้ายเป็นรสของโลกอะไรต่างๆโลกไม่มีรสชาติรสชาตินี่ก็มีรูปมีรสมีกลิ่นมีเสียงทำให้เกิดรสของโลกมีสติรู้เข้าไปรู้สึกตัวเข้าไปมันก็ไปเห็นรสประธรรมแข่งขันกันต่งกันข้ามอะไาว่ารู้สึกตัวก็ ความสุขความทุกข์มันต่างกันความหลงกับความรู้สึกตัวมันก็ต่างกันอยู่ความโกรธความรู้สึกตัวมันก็ต่างกันอยู่ความทุกข์มีความรู้สึกตัวมันก็ต่างกันอยู่ให้สัมผัสกับรถพระธรรมันนี่ให้ดื่มดมลงดูรู้สึกตัวเข้าไปรู้สึกตัวก็ไปอย่างที่เราสานที่ใหญ่ชาติปีตุขาความเกิดเป็นทุกข์ชราปีทุกขาความแก่เป็นทุกข์ เพราะยาติปิทุขะความเจ็บเป็นทุกข์เมื่อละนำปิทุกังความตายเป็นทุกข์การทรผภาคจะของรักของชอบใจเป็นทุกข์ความไม่สบายกายความไม่สบายใจเป็นทุกข์ความขัดแย้งใจเป็นทุกข์การทะเลชิงใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์มันถูกความทุกข์ยางเอาแล้วมันมีความทุกข์เป็นเบอร์นาแล้วเราจะต้องยอมรับอยู่เฉ่นืชาติปิทุขะการเกิดเกิดอย่างไน ทางอารมณ์ต่อยอดจิตเจ้าใจเกิดรักเกิดรักมันก็เกิดขึ้นเป็นชาติหนั่นเกิดชั่งมันก็เกิดเป็นชาติหนั่นเกิดพอใจเกิดไม่พอใจเกิดความครับแย้งใจไม่สบายกายไม่สบายใจปาตจัสิ่งใดมันเกิดเกิดมันเกิดทุกข์เราเป็นทุกข์ลาไปมาเห็นอาการอย่างนี้สติมันเป็นคงกําเนิดของการเกิดในรักษณะวนี้ แต่ก็อนมันเป็นเกิดจากนี่มันทุกข์เป็นสุขได้วันนี้มันไม่เกิดเครืงเกิดไม่เป็นทุกข์คือไม่ไม่หลงไปกับสภาวะที่มันเกิดในสภาพพบปุ่มต่างๆในตาหูจมูกเลี้ยงกระใจที่เกิดรสชาติของโลกน่ะมันไม่เป็นทุกข์เออเคงเกิดไม่เป็นทุกข์ครื่งเคเรไม่เป็นทุกข์เกิดลักมันเจ๋อเกิดชังก็เจ๋อมันไม่จริง ความโกรธอย่างนี้มันเกิดขึ้นแล้วก็แช่แล้วก็หมดไปไดละตายไปมันเกิดมันดับมันเกิดมันดับก็เออเกิดแบบนี้เรื่างการเกิดประกอบประดุกปราร์ควาหลงชืดบั้ถือมัน่นทำตามความเกิดชนีดเกิดอะไรก็ตามเกิดผู้กุ่มต่างการเกิดลักษณะ น, นี้มีหลายพบหลายพวงเ ป, เปรีเป็นสุรกายเป็นสัตโลกไป็นในไรชานไม่รู้จะถอนตัวออกมาโง่ไปเลยเลยไรฉานคือโง่ไปเลย เพราะใช่ในาโกรธตอนอยู่กับความโกรธความหวานข้าวเหนื่นทั้งทั้งที่มันทุกข์อยู่ก็เป็นภูมิของดีเดฉะความโกรธ ก, ก็ล่าร้อนใจร้อนกินไมาได้นอนมาหลับมั็เป็นสนอารมณค ว, า ม, า, คว า, มามโกรธป็ความขี้กียกลัวแม้แ่ทั้งวงโกรธทําตามความโกรธจะดุจะด่าจะว่าอะไรก็ทําตามบุกโกรธบางาทีตัดสินใจทําตามบุกโกรธฆ่าตัวตายเข้าคนอื่น มันเป็นความโขโขอดต่อยิงต่อต่ยโดดน้ําต่อเป็นอัุลการไปเลยเพราะะนั้นก็เกิดทางเนี่ยมันเป็นภพภูมิต่างๆเกิดดับเกิดดับพพุทเจอาจะมาเห็นพุทโธปอดโทเห็นภพภูมิที่เกิดขเกิดอาการต่างๆที่เกิดกับกายกับใจเราไม่เป็นทุกข์ไม่เป็นหลงกับมันมีสติ สติมันก็เป็นฌานเป็นฌานเป็นชินเป็นสมวิชชัเป็นปัญญาไปมันมีพลังกรเกิดเป็นทุกข์ความเจ็เป็นทุกข์เก็อาจจะไม่ใช่เจ็บหลังกดหลังโกงอนั้นก็เป็นการเกิดตอนเจ่บนี่ก็เป็นอันหนึ่งมันนี่ก็ไม่ทุกข์เลยไม่ใช่เมื่อเจ็แล้วเป็นทุกข์มาชายความเจ็อาจจะเป็นเป็นของนีอันหนึ่งหลองตายก็ได้เสียงใหม่ใช่ไหม เสียงดีกว่าเก่าได้หุ่นใหม่หุ่นดีกว่าเก่าหลังขุดหลังโกได้เลือดใหม่ได้ลมใหม่ได้ตับใหม่เขาเปลี่ยนแปลงมามะเรงกินตับบ้างมะเรงกินเลือดบ่างมะเร็งกินน้ำเหลืองบ่างมาเร็งกินเสียงคอมนก็ได้หุ่นใหม่ไม่เป็นทุกข์ไม่เป็นทุกข์ผมว่าความแก่เป็นทุกข์ความเจ็บเป็นทุกข์ ไม่เป็นทุกขออ์ลยโอยเก็บอย่างแสนสะาเป็นก้อนเนื้อตะปอดจำไหนเช้ยไม่ได้อ้ามันไม่เห็นเป็นทุกข์ตัวหน่อยโยมทำไมยืนร่องให้กกกระจกอยู่ข้างนอกแล น, นอนอยู่น้องไอซอยู่คนมานั่งกกกระจกข้างนอกน้าตาไหลเป็นแถวอ้าผมยืนร่องให้กับคนไม่เป็นทุกข์ยังไง เรามาเห็นเป็นทุกข์ตังหน่ย น, น่าจะไม่มีประโยชน์เลยแล้วจะบอกก็พคงไม่ออกเพราะมอมโทษอะไรไม่รู้หายใจไม่ออกเขาโทษสอดเขาเ้าไนึกหมอเลยอภิกรรมมาเขียนญาติโยมที่นั่งยืนอยู่ข้างนอกเกากระจกอยู่ไม่ต้องห่วงหลวงตาเลยหลวงตามีชีวิตส่วนตัว ว่าการกลับบ้านลเลยเขียนให้ไปแล้วหมอออห้อเอาไปยื่อใน้แล้วก็ยังปากันยื้อหลอกเขารัร <g> อ <iggle> เอาไม่เห็นเป็ทุกตรงไหนวะไม่ทุกตรงไหนเออคนเก็บเนีมันไม่มีความทุกตรงไหนหาไม่เจอเลยเขาบอกว่า ค, าคนป่วยเป็นทุกคนเกบเป็นทุกเออไม่ไม่ทุกตรงไหนนะไปบ้านที่ยืนอยู่ ข, ข้างๆางก็มีแต่เทพพิดา มันหมออยู่นอยู่กางๆก็มันเทพประวุฒิที่นั่งที่นอนเขาพูดให้โอ้ยห้องแอร์ยางดีผู้ที่นอนมันเป็นยึบยับนิดหนึ่ใช่ไหมมันเคลื่อนไหวมันนอนตายอยู่ตั้งสองอาทิตย์นะฮะแล้มันเคลื่อนไหวตลอดเหมือนกับคนนอนหมดหลังไงอ้าวมันสบายเถอนาะคนป่วยนอนอยู่ที่นี่ไม่ต้องทำอะไรที่เยี่ยวเขามาเตะให้ มันสบายสวรรค์ของเราเลยเนี่ยเป็นทุกข์เลยเหรอทำไมแล้วเป็นทุกข์หรอรอวันทุกข์แค่นั้นเหรอไม่ใช่ความเจ็บไม่เป็นทุกข์ได้ไหมความเจ็บไม่เป็นทุกข์ได้ไหมความตายไม่เป็นทุกข์ได้ไหมตายนี่คือตรงกันข้ามทำให้มันเป็นถ้ารอที่เจ็บปวดอยู่เช่นนั้นมันก็ไม่ใช่แล้วไม่ใช่มนุษย์ไม่ใช่มีพุทธศาสตรนา อ้าวพุทธจาสนาน่ยถ้ายังมีทุกข์อยู่ไม่ใช่สศรสนาเลยพุทธทั้งพุทธโททุกขโจรคาตาจัตวิคาตาจัจหิตตเสมพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องกำจัดทุกข์นัน่นเห็นไหมธรรมโมทุกขโจรคาตาจัตวิคาตาจัจหิตตจเมพระธรรมเป็นเครื่องกำจัดทุกข์สังโฆทุกขโจรคะตาจัตวิคาตาจัาาจหิตตเสมพระสงฆ์เป็นเครื่องกำจัดทุกข์พุทธศาสนายอยู่ตรงไหน ไม่ใช่พุทธังทนังัจงจามิว่าแต่ปากลำมังทนงั่งจามิสงังฆังทนังอั่งจามิข้าพเจ้าถือพระเจ้าโลกข้าพเจ้าจึงพ้นจาก ท, ท, ทุกทั้งปวรงด้วยข้าพเจ้าถือพระธรรมแล้วข้าพเจ้าจึงพ้นจากทุกท้องปพรงแต่ว่าแต่ปากไม่ใช่เข้าถึงไม่ใช่ถือเข้าถึงที่วิตจิใจเข้าถึงกายเข้าถึงใจวิธีเข้าถึงสภาพเป็นนี้ไม่มีวิธีใด มาทำกรรมฐานตามรอยพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าดูสิหน่อยวันพระองค์ตรัสรู้นั่นทํานทำยังไงพระองค์ทํำยังไงก็ทํารรทการรมฐานเนี่ยอย่างที่เราทํานี่ยนิสติเห็นกายสักว่ากายไม่ใช่จตุคุณตตโตตนโหลโหบางทีมัคิดไปกำมาเอา้มามันคิดถึงกิพาทําไมาคิดถึงราหุนทําไมาคิดถึงพระราจสมวัดยังไงคิดถึงพระราจะซั์สินจะ ด, ดึงคานยังไง คิดถึงปัจจาจังดูมาเปรียบเทียบมาตุจีมาโพยจังไงไม่ยใช่เรามานั่งคิดถึงบ้านถึงช่องถึงลูกถึงเมียเรามาทํากรรมฐานเราท่านทั้งหลายมาอยู่ที่นั่งอยู่ที่โอ้คิดถึงห้องแอร์คิดถึงที่ตรงนั้นคิดถึงเพื่อนเอ้ามันคิดไปตรงเรามาทํากรรมฐานกลับมากายสวบายใจเราใช่จดดูคนตัวตนเราเหวนเวทนาบงทีมันสุขมันทุกข์มีไหมมีเหมัอนกันปวดหลังกวดเดียว ง่ายละง่วงเหาหอนอนมีเหมือนกันเคยถามนักปฏิบัติเห็นหน้าดำกำเคียดอยู่เป็นไงหนูแย่เลยวันเนี่ยทำไมล่ะมันเครียดมันง่วงคิดมากหน้าบูดบดูก็มาสอนหน้าบูรนักปฏิบัติทำก็ไม่พูดจากนี้หลองตาบอกให้ดูมานอย่าเข้าไปเป็นอับมานเห็นมันเห็นมาน เป็นผู้เครียดหรือเห็นมันเครียดไม่ใช่เป็นผู้เครียดเห็นมันง่วงหรือเป็นผู้ง่วงต่อบไหมตอบจะนั่นไหมออกแล้วก็ค่อยค่อยเบิกบานหนูเห็นมันเครียดเอออย่างนี้จีเห็นมันเครียดไม่ใช่เป็นผู้เครียดพอเขาว่าหนูเห็นมันเครียดนี่หน้าตาก็ไม่ปูดแล้วบ้านอ๋อเห็นมันเครียดก็เป็นผู้เครียดมันรสชาติต่างกันนี่ว่าเห็น เห็นกายชว่ว ก, กายไม่ใช่ฉุนทุกค์ไม่โอาการมาเป็นฉุกุนทุกข์ไม่โอเวทนามาเป็นฉุกุทุกข์ไม่โอจิตมาเป็นฉุกุนทุกข์ไม่โอธรรมมาเป็นฉุกุนทุกข์เห็นมันอะไรที่มันแสดงมาทั้งกายทั้งราจายทั้งใจมันแสดงออกเหมือนเราดูละคนดูละครเนี่ยเขาแสดงบทโศกโศกน้ําตาไหาไลไปกับเขาเแสดงบทเลิกเลกไปกับเขเขาแสดงบท อะไรสนุกก็สนุกไปกับหัวเลาะรองให้กับกับข้อมันไม่ใช่ไปดูมันไปแสดงกับข้อชีวิตของเราเราแสดงหรือว่าเราเห็นมันมันแสดงให้เราเห็นนะร้อยฉากในชีวิตเรานะจึงมามีสติเป็นเจ้าของดูปฏิบัติธรรมคือดูแลตัวเองให้มันคุ้มหร่อให้มันไปเป็นอะไรมากมาย ภาวะที่ไม่เป็นนอะไรเนี่ยมันเป็นการดูแลตัวเองคุ้มครองตัวเองนั่นหลวงตาพูดเลยไม่เป็นอะไรก็บุเลยเลยยินอยู่ที่นั่นไม่เป็นอะไรก็บุเลยเลยคุ้มแล้วดูแลตัวองคุ้มแล้วนะนั่นเป็นอย่างนั้นดูแลตัวเองคุ้มแล้วถ้าเป็นอะไรอยู่ไม่คุ้มรเอยปล่อยปะแล้วเลยตัวเองปล่อยให้เป็นสุขเป็นทุกข์ปล่อยให้หัวร้อนร้องให้ปล่อยให้รักใคร่ชังปล่อยให้เศร้าโศกเสียใจคขำเจียดอยู่ไม่ใช่เลย ลองตัวดีนะรู้ไปรู้ไปให้รู้จากตัวให้รู้จากตัวไปไปรครองทั้งจิตไม่มีความเพียรมันก็ละอกุศลมันก็เพิ่มกุศลกุศลที่เกิดก่อนละไปมันก็หมดไปกุศลที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นเกิดขึ้นแล้วก็เจริญมากขึ้นมากขึ้นมาขึ้นเป็นกุศลเป็นปัญญาปัญญาพุทธปัญญารอบรู้ในกองข้างกานเห็นทุกอย่างมันโลกเราไม่ละแต่ก่อนชีวิตเรามันโลภเรา ค่วงร้อยพ่วมดีผู้ผู้ผแผลแผลในรู้จะเป็นยังไงมีคิดใจก็พึ่งใจไม่ได้เอาไว้เอาใจไว้ให้สุขให้ทุกข์ให้รักให้จับมันจริงไหมมันจริงไหมทำตามมันได้ทุกอย่างเลยไม่ได้แล้วจะทำตามความคิดทุกอย่างไม่ถูกต้องเราต้องดูความคิดบางทีมันมีสองลักษณะอันแักคิดไม่อยากคิดมันก็คิดตั้งใจคิดตอนนี้ ก็มีเหมือนกันอันทวะอันทวะที่ลราคิดไม่อยากคิดมันคิดนั่นเรียกว่าสังขารสังขารที่มันคิดไม่ตั้งใจน่ะเปลี่ยนเป็นวิสังขารหยุดได้สังขารเป็นวิสังขารวิสังขารมันหยุดสังขารมันไปวิสังขารมันหยุดมันหยุดถ้ามันหยุดตรงไหนอ่ะมันหลงรู้หยุดแล้วมันโกรธรู้หยุดแล้ว มันทุกรู้หุดแล้วมันจะไปความรักของมชังพอใจไม่พอใจรู้สึกตัวหยุดแล้วเปี่ยนสังขารเป็นวิสังขารเป็นนิพพานเป็นกรแสแห่งนิพพานวิสังขารเนี่ยเป็นกระแสแห่งพระ น, นิพพานมาเช่ดปาจฉนาก็า อ, อนาคตการเบืองหน้าน้นเถินปัจจิโยโหตุพอถึงพระนิพพานอนาคตการเบื้อกหน้าโนโยายโโโ้นเถิ น, น, ก น, โนโไก่เท่าไหลไปเจาะ โล้จีปีจีพบผีชาบเดี๋ยวนี้ไม่ได้หรือมันทุกตัวนี้เปลี่ยนแล้วนี่ยไม่ไ้เลยมันหน้ามือเปลี่ยนเป็นหลังมือมันทุกไปทุกได้ไหมไม่คิดน่อยเป็นวิสังขารเดี๋ยวนี้ถ้าไม่มีกระแสเดี๋ยวนี้ไม่มีทางเลยเห็นกระแสเนาะมันหลงลุ้มันโกรธเออมันก็จึงเปลี่ยนปฏิบัติคือเปลี่ยนเนี่ยนี่ให้มาทำเอาไม่มีใครช่วยกันได้ มีแต่ตัวเองถามเอาเองถ้าเลยมายืนยันถ้าทายสักหน่อยมันนานเกินไปแล้วชาวพูดธหลอนเมื่อเลยจะเข้าถึงสายตรงๆแบบนี้นะไปอะไรกันอยู่มาตรงนั้นมันหลงลูมันหลงลู้ลลเข้าไปนะสายตรงอย่างนีง้มันหลงอยู่ที่ใดไม่ใช่อยู่ที่ตกโตมันรู้หลงอยู่ที่กายที่วิาจารที่ใจของเราเนะ น, นี่ยมีทวารมีตามีหูจะบดยายใจ มันก็ลู้อยู่ที่นี่แหละมันก็ไม่อยู่ที่ไหนมันเป็นสูตรเป็นเป็นพระสูตรชีวิตของเรานี่เป็นพระสูตรพระสูตรตัณต์ปีดกพระอริธรรมปีดกพระวินัยปีดกความเป็นระเบียบเรียบร้อยพระสูตรที่ต่างๆก็อยู่นี่ครบถ้วนนองหมดเลยเพราะอริธรรมก็มีธรรมอยู่ที่นี่ธรรมคือความดีกรรมคือความเป็นธรรมกองหลงมันไม่เป็นธรรม ผมรู้จึกตัวเป็นธรรมผมโกรธไม่เป็นธรรมผมรู้จึกตัวเป็นธรรมผมทุกข์ไม่เป็นธรรมผมไม่ทุกข์เป็นธรรมผมรู้จึกตัวน่ะนี่พระอริธรรมเราจยห่อแขกใครให้ใครไปสวดใช่ไหมจุราธรรมมากุจรราธรรมเมื่อนอนอยู่นโรงเไม่ใช่เปลี่ยนบันญัติไอ้พระมาจากนิจ้าให้เหลย น, นิจจาสังคาลา อุปทานไว้ทำไม่โอ้พิิตวาลูฉันตีเตสังโบปจงโอจกเขาว่าพระว่าอะไรอเจจาวัดสังขาระสังขารเกิดขึ้นแล้วเจอเราสังขารงานปุงกันแต่งกานแต่งให้รักแต่งให้จังแต่งให้สุขให้ทุกสังขารเกิดขึ้นแล้วเจอเราอุปทานไว้ทำแมโอ้อุปทานไปยึดว่าเราว่าของเราว่าตัวตนของเราเป็นอุปทานไปยึดไปยึดเอาความทุกข์ก็ม่ไปเยีดเอความสุขก็ไม่ บางทีความสุขไปซื้อเอาไปพ้นเอาไปคงเกินเรานึกว่าเราอุปทานอุปวิชิตตะวันโลชันติเจได้อยู่เจได้อยู่เปลี่ยนได้อยู่งมืมันหลงไม่หลงก็ได้งมืมันทุกไม่ทุกก็ได้เมื่อมันโกรธไม่โกรธก็ได้มันเจได้อยู่อย่าทําตามมันเสังบูปัจโมจุโกเมื่อเปลี่ยนได้แล้วไปเตังบูปัจโมจุโกก็เกิดความสุขไม่ปรุงไม่แต่งน่ะจุดแล้ว เราหยุดแล้วเราหยุดแล้วไม่ปวงแล้วนะเรียกว่าบังสุกุลไม่ใช่พระมาสักสุกุลได้เกิดได้สองแบบไม่ใช่แบบหนึ่งบังสุกุลตัวเวลาอะไรมันเกิดขึ้นปวงว ง, งแตกไม่ใช่รู้สึกตัวนี่แหะรู้สึกตัวเนี่ ย, ยบองสุกุลแต่สัมบูปัจมโมจุโกเปลี่ยนได้เปลี่ยนได้ปฏิบัติได้ให้ผลได้ไม่จำกัดการ ผู้ปฏิบัติย่อมรู้ยิ่งเห็นจริงในธรรมที่ควรลูกคนเห็นตามสมควรแจ่ผู้ปฏิบัติมันหลงที่ไ ด, ด้รู้จริตสมควรแล้วคนทําอย่างนี้ผู้รู้อย่างนี้ผู้ทำอย่างนี้สมควรแก่การปฏิบัติไม่ใช่น้องนั่งนอนนอนปล่อยจิตปล่อยใจบ่องม้วนคนคิดถ้าไม่เปลี่ยนตรงนี้มันหลงเปลี่ยนมัน รู้ทุกตัวเอากายเป็นกรรมฐานเป็นที่ตั้งเคลื่อนไหวไปมารู้ทุกตัวมันไปเขารู้ทุกตัวหรือว่าผู้ปฏิบัติต้องรู้ยิ่งเห็นจริงในธรรมที่ควรรู้ควรเห็นตามสมควรใจผู้ปฏิบัตินี่คือวิทยาศาสตร์ยอดของวิทยาศาสตร์ปฏิบัติได้ให้ผลได้ไปจํากันการชีวิตของเราเนี่ยทำดีได้แล้วความชั่วยได้เด็ดขาด ไม่วาจะเป็นอะไร เ, เราละลูกพ่อนี่แม่นี้เราคนหนึ่งจะรับความชั่วให้ได้จะทําความดีให้ได้แมันใหญ่ตรงนี้จิลูกสาวของพ่อของแม่ลูกชายของพ่อของแม่คนนี้จะรับความชั่วทำความดีให้ได้มันก็ทําหน้าจริงๆ